สองอติตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจะขายัตนามูลกะไนสามสอนุโลมปุชชจฉาจะขายัตนาของบุคคลใดเคยเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนะของบุคคลใดเคยเกิด จักขายัตนาของบุคคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนา cathedral. ใช่อนุโลมปุชชจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดเคยเกิดคานายัตนละรูปายัตนละมนายัตนาละธรรมายัตนาของบุคคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิดมปุจฉาธรรมายัตนาของบุคคลใดเคยเกิด จักขายตระนัของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ 39. อนุโลมปุจฉาคานายตระนและรูปายตระนและมัญนายตนะของบุคคลใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาธรรมายตระนของบุคคลใดเคยเกิด มานายัติะของบุคคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนะใช่มานายัตนะมูลกนัยจบอนุลมโอกาสจากขายยัตนะมูลกนัยสอนุลมปุจฉาจะขายยัตนะในภูมิใดเคยเกิดละคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใด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 โสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัตชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจกขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัตชนาใช่อ <viral> นุโลมปุจฉาจกขายตนะของบุคคลใดในภูม no <els> ิดเคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้น ก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้บัต ย, ยู่ในรูปาวจรภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายัตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตยูย่ในกา ม, มาวจรภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานายัตนะก็เคยเกิดปฏิโลมปุชฌา ขานายตนะ eh ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจกขายตนะของบุคคลนั้นในปมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชจฉาจะขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในปมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด จักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอัศญศัพตภูตธธมิรูปล า, ายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขายัตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติยู่ในปัญจโวการภูมิรูปล า, ายัตนะของบุคลบคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขายัตนะก็เคยเกิดอนุรมปุจฉา จะขายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมา น, นายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิรมปุจฉามนายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจะขายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอรู ป, ปภูมิมานายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่จักขายัตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิมานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขายัตนะก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาะใช่ปฏิโรมปุจฉา ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจะขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรู ป, ปรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จะขายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิ รำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภู่มนั้นเคยเกิดและจักขายญาตนะก็เคยเกิดจักขายญาตนะมูลกนัยจบคานายตนณมูลกนัย 42. อนุโลมปุจฉาคานายตนณะของบุคคลใดในปู่มใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ ปฏิโดมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานายตนะก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉ right. ามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด คานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมะนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตยู่ในกามาวจรภูมิมะนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานายตนะก็เคยเกิด อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในปุ მ ใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นในปุ მ นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในปุ მ ใดเคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนา บุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่าน no no ั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติยู่ในกามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานายตนะก็เคยเกิดคานายตนะมูลกนในจบ รูปายตนะมูลกนัยสีอนุโลมปุจฉั่รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมานายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นเคยเกิดและมนายตนะก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในปูมมนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปปู่มมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภู่ินั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตอยู่ในปัญจโวการภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายตนะก็เคยเกิดรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้ น, นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด รูปายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิทัชชาบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปประภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายตนะก็เคยเกิด รูปายตนะมูลกไนนจบมานายตนะมูลกนันน4สี่สิบสีอนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตติชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด มนายต in นะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนะบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนายตนะก็เคยเกิด มานายตนะมูลกนัยจบปัจจนีกับบุคคลจักขายตนะมูลกน 45. อนุโลมปุชชจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิตัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิด จักขายัตนาของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิตัชนาไม่มียอ่อจักขายัตนาโมลกนัยจบ ม, น า, น, มานายัตนาโมลกนาอิตีมนายัตนาของบุ ค, คคลใดไม่เคยเกิดธรรมายัตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิตัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉา ทายาตนาของบุคคลใดไม่เคยเกิดมานายาตนาของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิตัชชาไม่มีละปัจจณีกโอกาสจักขายาตนาโมรกาไนสี่สอนุโลมปุจฉาจักขายาตนาในภูมิใดไม่เคยเกิดละปัจจณีกับบุคคลโอกาสจักขายาตนาโมรกาไน 48อนุโลมปุจฉาจากขายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา จักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาคานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิ คานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักขายาตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญัตตภูมิและอรูปปุ่มคานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขายาตนะก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชจฉาจักขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด รูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจกขายายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิจกขายายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และรูปรายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมนณหายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในอรูปปภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มานายนาตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิและอสัญญาัตภูมิจกขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมานายาตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชชา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 จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมนั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายัตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายัตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโรมปุชฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ใช่จกขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกไนันส่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิทัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในรูป า, า, ายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด แต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิคานายะตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปายะตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายะตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายะตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้ในก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตตชนาใช่ อนุโลมปุจฉาคานายตระของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนายตร ะ, ะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ใน จุธาวาสภูมิและอสัญญัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมานายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด ธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปราวจรภูมิและอักรูปราวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตยู่ในสุทธาวาทภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตะคคใใ น, ยขานายตะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่คานายตนะมูลกานายัยจบรูปายตนะมูลกานายัย50อนุโลมปุจฉา รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิัชนาบุคคลผู้บัตดอยู่ในอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัรอยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น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 ผู้บาดอยู่ในสุทาวาตภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในอรูปภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายนตานะมิใช่มไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิรลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจัดชนาใช่รูปายตนะมูลกนัานายจบมนายตนะมูลกนันนาย51อนุรมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในปู่มใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ มนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบ <ch> ุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาธรมายตนะของบุคคลใดในปูมิใดไม่เคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ มนายตนะมูลกนายจบ